สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามสิบหกนะครับปัสกาครั้งแรกของพระเยซูปัสกาครั้งแรกของพระเยซูในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อสิบสามถึงข้อยี่สิบห้านะครับเกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนะครับและโปรงทรงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะเฉลิมฉลองปัสกาครั้งแรกของพระองค์ตั้งแต่ทรงเริ่ม ปฏิบัติภาชกิจของโปรงพี่น้องครับในเพิ่มพีตอนนี้นะครับเราจะได้เข้าใจถึงลักษณะความเป็นมนุษย์ของเปียสูซึ่งกล้าหาญมากเพราะว่าโปรงนั้นได้ทรงมีความรู้สึกแล้วก็ได้แสดงถึงอารมณ์โกรธนะครับได้เห็นคนที่มาทำการค้าขายอยู่ในพระวิหารในกรุงเยเอเซืันตนั้น พี่น้องครับเราจะได้เรียนรู้ว่าสถานน้ำมศการของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์และกิจกรรมทุกอย่างที่นั่นนะครับจะต้องเป็นที่ปพลอดพภัยพระเจ้าและเราจะไม่ใช้สถานน้ำมศการพระเจ้าหรือขีดจักรนะครับในการที่จะทาํามาค้าขายเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งพี่น้องครับให้เราเข้ามาดูในโภชนะของพระเจ้าตอนนี้หลายหลาคนก็เข้าใจผิดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ตอนนี้ก็จะเหมือนกับเหตุการณ์อีกตอนหนึ่ง ในเพื่อนพีเล่มอื่นๆในภากิจคุณเล่ยอื่นๆ น, นะครับซึ่งตรงกันนะฮะตรงกันก็คือในพระธรรมมัทธิวบทที่21บ็มารโกบทที่1ิดและลูกาบทสิบเก้านะครับเราจะเห็นนะครับว่าความแตกต่างนั้นก็คือว่าในเวลานี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่สองนั้นได้พูดถึงการที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนั่นเป็นปัสกาครั้งแรกนะครับแต่ในมัทธิวบทที่ยีิบเอ็ดนั้นเป็นช่วงหลังๆช่วงท้ายๆของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูแ ล, แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามีการชำระพระวิหารนะครับนักวิชาการก็ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่ามีการชำระพระวิหารถึงสองครั้งด้วยกันนะครับพี่น้องครับเรามาดูนะครับเนื้อหาสาระของพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ยอนได้เขียนเหตุการณ์นะครับเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการอัศจรรย์ครั้งแรกที่หมู่บ้านคานานะครับและพี่น้องครับเราจะเห็นว่า พระวิหารนั้นไม่ได้ถูกใช้ตามเป้าหมายที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สําหรับสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับว่าในฤดูใบไม้ผลิปีแรกของการปฏิบัติงานของพระเยซูเราก็จะรู้นะครับว่าช่วงลําดับเวลาและความสําคัญของเหตุการณ์นี้นะครับเปรียบเทียบกันเราก็จะรู้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นๆของการที่พระเยซูเสด็จมาปฏิบัติมวลชน ถ้าเราอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อสิบสามถึงสิบหกนะครับขณะที่พระเยซูได้เสด็จเข้าไปร่วมเทศกาลปัสกาของชาวยิวที่เยรูซาเล็มนะครับตอนที่ท่านคงจําได้ตอนที่พระเยซูทรงมีอายุ 12, สิบสองพรรษานะครับและในวันนี้พรงก็เสด็จเข้ากรุงเยเรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เฉลยนพระองในการบันทึกของพระธรรมยอห์นตอนนี้ หลังจากที่พระเยซูเสด็จจากบ้านคานาและพรงไปอยู่ที่เมืองคาปนูมสองสามวันพร้อมกับมารดาและน้องชายของพระองค์และสาวกของพระองค์เป็นไปได้นะครับว่าคนกลุ่มเดียวกันนี้ไปร่วมเทศกาลปัสกาพร้อมกับพระเยซูด้วยเพราะเป็นธรรมเนียมสืบทอดมานานครับที่คนทั้งครอบครัวจะไปร่วมเทศกาลปัสกาที่เยรูซาเล็มตอนนี้พระเยซูเริ่มมีสาวกแล้วนะครับคาดว่าพระองค์ก็ทรงนําสาวกของพระองค์เข้าไปฉลองปัสกาที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยพร้อมกับครอบครัวของพระองค์ ยอนนะครับทำให้เราทราบว่าพระเยซูประกอบพระราชกิจเป็นเวลา3าปียอนบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของพระเยซูโดยใช้เทศกาลตัส ก, การนั้นเป็นจุดอ้างอิงหรือเรียกว่าไมายสเตนนะครับเราจะเห็นว่ายอนนั้นได้อ้างอิงเทกศกาลตรัส ก, การสครั้งด้วยกันในชีวิตพระเยซูขณะที่ปฏิบัติมวลชนรับใช้พระเจ้าอยู่นั้นก็คือครั้งแรกนะครับอยู่ในพระธรรมยอนบทที่สองครั้งที่2อยู่ในพระธรรมยอนบทที่6 และครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่สาอยู่ในพระธรรมยอห์บทที่สิบสามพี่น้องครับเทศการปั ส, สกาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยอห์ได้กล่าวถึงและเป็นปีแรกของการเริ่มปฏิบัติพันธกิจของพรปเยซูเราจะเห็นว่าเพิ่มพี่ยอห์บทที่สองนั้นได้บรรยายว่าขณะที่พเปียซูได้เสด็จเข้าในพระวิหารเปเยซูเสด็จเข้าทางด้านลานพระวิหารนะครับสําหรับชาวต่างชาติลานพระวิหารนี้เป็นลานภายนอกครับซึ่งจัดไว้สําหรับคนต่างชาติ ซึ่งมาร่วมพิธีนะครับเราเห็นว่าคนต่างชาตินั้นในอดีตนั้นเขาก็รู้จักขพระเจ้าและถือศาสนายิวด้วยนะครับคนต่างชาตินั้นก็รู้ว่าตัวเองจะต้องมีเ อ, อมามีโอกาสที่จะมาในกรุงเยรูซาเล็มและมาฉลองปัสกาแต่ตัวเองไม่ได้เป็นชาวยิวเพราะงั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในลานของคนยิวนะครับซึ่งในลานของคนยิวนั้นก็แบ่งเป็นลานของผู้ชายและลานของผู้หญิง นะครับกาคนต่างชาตินั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะ ต, ต้องอยู่ในลานของคนต่างชาติซึ่งอยู่ข้างนอกครับโดยปกติแล้วคนที่มาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยิวนะครับหรือเป็นคนต่างชาติก็ตามธุรกิจการซื้อขายสัตว์เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ที่มาจากที่ไกลๆเขาไม่สามารถนำสัตว์มาได้เพราะฉะนั้นเขาก็นำเงินมาเพื่อที่จะซื้อสัตว์และถวายบูชาในข้อที่สิบสี่ได้กล่าวถึงวัว นะครับแกะและก็นกพิราบมีสัมีสัตว์อยู่สามประเภทด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับสถานภาพหรือความรวยของคนถ้าว่าท่านรวยมากท่านก็ซื้อวัวครับบางคนรวยน้อยหน่อยหรือเป็นมิดเดิลคลาสก็ซื้อแกะบางคนเป็นคนยากจนก็ซื้อนกพิราบครอบครัวของปรียซูนะครับก็ถวายนกพิราบถ้าท่านทำได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ นอกจากคนที่ซื้อขายสัตว์แล้วนะครับยังมีคนที่รับแลกเงินเพื่อแลกเงินนะครับเงินที่เขานํามานั้นก็เป็นเงินต่างชาติเงินสกุลต่างชาตินะครับก็เรียกว่ามัน e ี่เอ็กซ์ชใช่ไหมครับในสมัยนี้เขาจะต้องชําระค่าบํารุงพระวิหารเป็นเงินเชี์เขีวซึ่งเป็นเงินของคนยูปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าผู้รับแลกเงินนั้นคิดค่าแลกเปลี่ยนขูดรีดสูงมากครับความต่างของการซื้อกับการขายนี่เยอะ แสดงว่าผู้รับแรลกเกียนนั้นได้มีกำไรจากผลต่างตรงนี้และผู้ขายสัตว์ก็ลุกล้ำเข้ามาในบริมพระวิหารและวางกรงสัตว์นะครับผูกสัตว์เกะกะเต็มไปหมดพี่น้องครับสภาแซนเทดริมนี่เป็นสภาสูงสุดของยิวก็คงยินยอมให้ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าเช่นนี้สภานี้ประกอบด้วยสมาชิกอยู่เจ็ดสิบคนนะครับเป็นพุทธิสภาก็คือเป็นสภาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของคนยิวนั่นเอง มีมหาปรูรลหิตของพระวิหารเป็นประธานครับยากนะครับที่จะมีอะไรเกิดขึ้นโดยที่สภานี้ไม่รู้เห็นหรือยินยอมสภานี้ได้รับอนุ ญ, ญาตให้ควบคุมการซื้อขายสัตว์ในการแลกเปลี่ยนเงินเพราะฉะนั้นแสดงว่าจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาผากกลหรืออาจจะมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นที่นี่เมื่อพระเยซูเสร็จเข้าสู่พระวิหารนั้นภาพที่พรงทรงเห็นทาให้ทุกปฐัยมา ใจนี่คือพระวิหารที่เปเยซูเสด็จมาเมื่ออายุได้สิบสองปีและปีจอต่อมาหลังจากนั้นจนกระทั่งอายุสามสิบและนี่เป็นพระนิเวศของพระพเจ้าพระบิดาของพระองค์นั่นเองในข้อสิบสีได้กล่าวว่าพระเยซูทรงเห็นแกะวัวนกพิราบไปพระวิหารซึ่งจะต้องเป็นลานในที่ของคนต่างชาติแน่นอนในเมื่อพ่อค้าซึ่งไม่ใช่ยิวจะเข้ามาได้เพียงแค่นี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาชาวยิวจะต้องหยุดงานและสลองเทศกาลปัสกา คอยนึกถึงภาพความสับสนชุลมุนวุ่นวายครับกินสาบสัตย์เต็มไปหมดนะครับเหม็นรอบทางเดินพระวิหารนึกถึงภาพของคนแรกเงินกําลังแข่งขันเรียกร้องให้ลูกค้ามาแลกเงินมาแลกเปลี่ยนเงินตาจากสกุลต่างๆมาเป็นเงินเชคเขียวพี่น้องครับพระเยซูส่งใช้เสือกเชือกทําเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นออกไปจากพระวิหารแล้วก็คว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินเหรียญกระจัดกระจายไปทั่วพื้นพรงทรง ทำแทะจากเชือกที่หล่นเกื่อนอากาศอยู่ที่พื้นต้องใช้แทะจึงจะสามารถไล่ต้อนสัตว์ออกไปได้คงจะโอนละมานชุลมุนกันหน้าดูครับเจ้าของคงจะช่วยไล่ต้อนเมื่อไม่้สัตว์ของตนเองตะเลิดเปิดเปิงผู้คนทุกแห่งในพระวิหารคงแหกันมาดูว่าทําไมถึงชุมลมุนวุ่นวายคงจะมีเรื่องราวเอ ก, กเริกใหญ่โตนะครับขณะเดียวกันผู้รับแลกเงินก็คงคลานตามพื้นเพื่อจะพยายามเก็บเงินพี่ต้องเห็นภาพนี้ไหมครับ เห็นความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นไหมครับเฟเยสุตรกับคนที่ขายนกพริราบ ว, วาดจงเอาของเหล่านี้ออกไปเสียอย่าทําให้พระนิเวศของพระบิดาเราเป็นแหล่งค้าขายไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าพระเยซูกริ้วนะครับโปรงกริว้วโปรงทรงเป็นบุคคลเป็นคนที่มีบุคลิ ก, กภาพทางอารมณ์โกรธนะครับไม่พอใจไม่พอพอัยในที่นี้โปรงทรงเสียพอใจที่พระวิหารนั้นกลายเป็นที่ค้าขาย เป็นแหล่งของความคดโกงเป็นการเอาเปรียบคนที่มานมัส ก, การพระเจ้าที่มาจากเดินเดินเดินทางมาจากแดนไกลเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่จาริกหรือผิวกิ่มสังกังเหล่านี้พี่น้องครับพวกเขาค้ากําไรเกินควรคดโกงและเปลี่ยนพระวิหารซึ่งจะต้องแสดงถึงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจความซื่อสัตย์มาเป็นที่ที่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันและเป็นที่ค้าขายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวิหาร เราจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในกิจเตรของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีคนที่มีความกล้าหาญเหมือนพระเยซูที่จะกล้าลุกขึ้นมาและพูดกล่าวความจรงิงยืนหยันในความจริงของพระเจ้าว่าสถานนำ้ำสการพระเจ้าจะต้องเป็นสถานที่บริสุทธิ์และกิจกรรมทุกอย่างที่นั่นจะต้องเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองมาสแสวงหาผลประโยชน์จากจกิจเตรของพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ อาเมน